ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องตรวจจิตดูใจโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่25กรกดาคม2548ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัดนี้ค่ะ นะยิ่งนี่ก็เขา้าพรรษาด้วยหลายคนมาตั้งตาบะขนาดว่าเขาไม่ใช่คนวัดอเนี่ยอยู่กับธรรมะปึกหนึ่งนะพวกที่เขาตั้งตบะมาหลายคนเลยเขาอยู่ข้างวัดบ้างอยู่นอกวัดบ้างเขาก็ตั้งตบะว่าจะมาทําวัดเช้าให้ได้นะบางคนก็ทุกวันแต่บางคนก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะได้สักสามสี่วันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ให้เห็นไ่มเห็นไหม จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วเห็นเป็นสาระเห็นเป็นคุณค่าเห็นเป็นประโยชน์เห็นเป็นองรวมอาตมาว่ามันไม่รู้สึกว่าโดนบังคับหรอกแต่จะรู้สึกดีๆอ่ามันจริงๆจะว่าไปเนี่ยแล้วมันก็เป็นเหมือนกับกฎเกณฑ์เป็นเหมือนระเบียบเป็นเหมือนศีลประการหนึ่ง ของพวกเราอ่ะที่มาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วว่าเออก็มาร่วมกันนะทำกิจบัตรบ้างบางทีก็มาร่วมกันกินที่ศาลาเนี่ยพร้อมกันบ้างฟังเทศก่อนฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมร่วมกันเพราะที่สันติโสกธรรมาก็พูดอยู่บ่อยๆว่าบางทีหลายอย่างถ้าพูดถึงเรื่องการงานมันไม่มีโอกาสได้ทำร่วมกันนะ่ งานก็กระจายไปแต่ละจุดแต่ละที่ต่างคนก็ต้องรับภาระต้องทำงานของแต่ละจุดแต่ละที่อยู่แล้วโอกาสที่จะพบหน้าคาตาได้เห็นกันบ้างก็มีไม่กี่โอกาสหรอกนะอย่างเนี้ยทำวัดบ้างทำวัดเช้าเนี้ยเออโอกาสจะได้เห็นด้วยกันนะมีโอกาสได้มากหน่อยนะสำหรับคนที่ถ้าไม่ติดชมรอติดอะไรพวกนี้นะซึ่งอันนั้นเขาก็จาเป็นะ อา้าวบางคนใช่ไหมวัดเช้าไม่ได้ทําแต่อา้าวบางทีเนี่ยช่วงก่อนฉันช่วงมังกินอาหารร่วมกันอา้าวบริษัทหลายที่ก็บางทีก็เราก็พยายามหยุดเพื่อที่จะให้ตรงกับเวลาของที่ศาลาเพื่อที่จะได้มีโอกาสมาร่วมกันที่ศาลาได้อย่างเงี้ยบางบริษัทหยุดไม่ได้อา้าวอย่างชองมารองเนี่ยก็ย่งหยุดไม่ได้เขาก็มาไม่ได้ แต่บางบริษัทที่หยุดได้อย่างเช่นอะไรบ้างอะกูดินฟ้าอะไรขอบคุณพลังบุญอะไรอีกอนนี้คือแหขอบคุณมันก็มีหลายที่หลายแห่งนะที่ที่ที่เขาหยุดช่วงนี้ได้เนี่ยก็มารวมกันอย่างน้อยๆก็นะ่ะก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างอ๋อยังอยู่เหรอ แล อ, อย่างน้อยพูดว่ายัางอยู่เหลือนี่นึกทุกทีเลยอาตมาเคยเอะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสิคขามาเคยทักอาตมาตอนสมัยใหม่ๆอาตมาบวชแล้วก็มาอยู่ที่สันติยโศกเนี่ยนะก็อยู่ตั้งนานแล้วนะอยู่เป็นปีๆบางบางทีพันษาเนี่ยก็อยู่ร่วมด้วยนั่นแหละแต่ปรากฏว่าคือช่วงนั้นเน่เป็นช่วงที่ทำงานเยอะมาก แล้วก็ไม่มีใครแทนได้ช่วงนั้นเนี่ยทำงานเกี่ยวลงพิมพ์เนแหละนะเรื่องทำเพจเรื่องทําเลเอาชนะจัดหนังสือแรองต่างโอ้โหกิจวัตรกิจกรรมอะไรอื่นอย่างอื่นน่ะแทบไม่ได้ทําเลยทําแต่หนังสือทั้งคืนทั้งวันเลยแล่ะทําจนป่วยไปเลยด้วยซ้ําไปแตนะ่แต่มันไม่มีใครแทนจริงๆตอนนั้นมี มีที่จะทำก็นั่นแหละมีอาตมารูปเดียวตอนนั้นที่ที่ที่หมู่ก็โยนหนังสือให้ทำแต่หลังๆกออค็ค่อยๆมีหลายคนขึ้นมาช่วยบ้างแล้วก็ตอนนั้นก็มีท่านธรรมวุฒโธท่านก็ทำเพลททำแม่พิมพ์ได้แล้วเราก็มาพิมพ์กันเองที่พูดตรงนี้เพื่อให้ฟังว่าโอ้โหตอนนั้นก็ก็งานเยอะมากเลย แล้วคนเราน้อยกว่า น, นี้ก็เคยคิดว่าถ้าคนมากขึ้นงานจะน้อยลงแต่ความเป็นจริงก็คือถึงคนจะเยอะขึ้นยังไงงานมันก็มากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีคำว่าเพียงพอสำหรับคนที่จะมาช่วยกันทํางานนะแต่เอาเล่าเสริมนิดนึงตรงนี้ตรงที่ปรากฏว่าแหมยอยู่ร่วมพรรษาเดียวกันนี่ปรากฏว่าสิษม่าเข้ามาทัก อ้าวท่านจำพรรษาท่านอยู่ที่สันตินี่ด้วยเหรอเพราะปรากฏพระแทบไม่เจอหน้าเจอตากันเลยตอนนั้นก็ลุงสลาก็ไม่ได้ลงตอนนั้นมีทําวัดเย็นตอนนั้นมีเจโตสมาถ่าทาวัดเย็นก็ไม่ได้ลงเลยเพราะว่าเรียกว่าโอ้โหทํางานหามรุญหาข้ามจริงจริงนอนยังแทบไม่ได้นอนเลยบอกตรงตรงเวลานอนอนะแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำไป บางทีบางคืนเนี่ยไปนอนสักแค่สองสามชั่วโมงเท่นั้นเองเอาแล้วช่างพิมพ์มาปลูกแล้วท่านท่านท่า น, านหมดแล้วหมดแล้วไม่พิมพ์หมดแล้ว <c oughs> โอ้โหลุยกันเรียกว่าตอนแรกก็โหแข็งแรงมาดีมากนะเรียกว่าถ้าถ้าไม่ไม่เรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่วางจิตวางใจได้ขนาดนึงนะโอ้โหอาตมาว่าน็อกไปนานแล้ว นี่ยังดีว่าอาตมาเป็นคนที่ก่อนข้างฝึกมาพอสมควรฝึกในความอดทนฝึกในการที่เรียกว่าตามดูจิตดูใจตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปตามใจกิเลสตัวเองนักเป็นคนที่สู้รู้ว่าชอบอะไรก็หัดงดรู้ว่าไม่ชอบอะไรก็หัดเสพฝึกพยานอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องรู้อะไรมากเลยรู้แค่2 อ, อย่างเนี้ย ติดอะไรนักก็หัดงดเกียรติอะไรนักก็หัดเอาเข้ามาหัดเอาเข้ามาแค่สองข้อนี้เท่านั้นเองฝึกบ่อยๆค่ะรับรองเลยว่าจิตใจเนี่ยแล้วก็อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากเลยแต่ต้องทำแบบรู้นะแล้วก็ต้องฝึกฝึ ก, กตัวจิตตัวใจเหมือนเตวิชโชอย่างเงี้ยทั้งๆที่แต่ก่อนอาจาก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากฝึกมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้ว ฝึกทำมาตั้งแต่ยังทำงานอยู่ที่บ้านเลยที่ซ้ำไปอซึ่งโอโหผลดีมีมากเลยทำให้เราเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไปตามใจกิเลสตัวเองนะักจริงนะก็ยังมีว่าชอบหรือว่าไม่ชอบมีจิตที่ดูดจิตที่ผักมีอยู่แต่พอเราฝึกอย่างนี้มาเนี่ยมันเลยทำให้เออบางทีหลายอย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ยัง พอฝืนใจที่จะเอ้าไม่ชอบแต่ว่าเอ้าเพื่อส่วนรวมหรือว่าเพื่อคนรอบข้างเราเอ้าเราก็พอฝืนใจที่จะเอ้าทำทำด้วยกันได้ทำตามกันได้ส่วนว่ามันมีปัญหาจะพูดจะคุยกันเอ้าก็ต้องพูดสิต้องคุยสิอันนั้นหนีไม่พ้นนะ่ะแต่เรื่องความรู้สึกเราอะอารมณ์ของเราอะเราก็หัดจับให้ได้แล้วก็หัดแก้หัดล้างแล้วส่วนใหญ่ก็สู้ด้วยตัวเอง บอกได้เลยปฏิบัติทำมาเนี่ยส่วนใหญ่สู้ด้วยตัวเองบางเรื่องก็สู้แบบก็โง่ก็สู้สู้มาเยอะแล้วแต่พึ่งตัวเองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยโอ้โหถ้าแต่ก่อนนี้นะมารู้จักสมณะหรือว่ามาวัดนะหรือว่าได้พบสิีมาบ่อยๆ อ, อะไรเงี้ยนะโอ้โหถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยไม่งโงนะ่แล้วถามไทยแล้วก็อะไรนี่โอ้โหจะปรับจิตได้เร็วกว่านี้อีกเยอะเลย แต่ก่อนเนี่ยตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆไม่ค่อยรู้พวกนี้หรอกอาศัยตัวเองเป็นที่ตั้งเลยแล้วก็ฝึกฝืนใจตัวเองไม่ตามใจตัวเองพยายามอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆเออมันก็มีอนิสงส์ที่ทำให้เราเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดก็แน่นอนก็ต้องเจอถูกใจไม่ถูกใจเจอแน่นอนจะคารวะก็ตามหรือจะนักบวชก็ตามก็ต้องเจอ แต่เจอแล้วเนี่ยพอเราฝึกฝนมามันมีมรรคผลจริงๆแล้วมันก็จะเอามาใช้ได้ณนะซึ่งพอเจอแล้วเราเอามาใช้เนี่ยมันก็ทำให้เวลาเราจะผักเราก็ไม่ผักแรงเกินไปเวลาเราจะดูดเราก็ไม่ดูดแบบแหมไปเป็นปริงเกาะติดอะไรก็ไม่พอมันเกิดอารมณการขึ้นมามันก็จะจับได้แล้วก็เอจะรีบปรับจะรีบแก้อาตมาเนี่ยเคยพูดบอก บอกว่าอะไรนะถ้าอาตมาไปรักใครไปชอบใครเนี่ยนะสมมุติเป็นเรื่องผู้ชายผู้หญิงนะเป็นเรื่องกามบอกเอ้อาตมาไม่ค่อยกลัวอาตมากลัวคนที่มารักมาชอบมากกว่า <c oughs> เคยพูดอย่างนี้นะ ท, ทั้งที่ความเป็นจริงมันน่าจะเออคนอื่นมาลักมาชอบมันไม่น่ากลัวถูกต้องไหมแต่เราไปรักใครชอบใครนี่สิมันมันน่ากลัว แต่อัตมาเนี่ยตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆแล้วพอฝึกมาเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ากลัวจริงๆว่าโอ้โ ห, โหถ้าใครมาลักเราชอบเราเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยก็เคยเล่าว่าวิ่งหนีแอบไปแอบอยู่บนหลังคาก็เคยมาแล้วกลัวเหลือเกินไอคนที่มาลักเรามาชอบเราเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงบ้างมันน่ากลัวตรงเนี้ย แต่ไอตัวเราเองเป็นรักใครชอบใครแล้วเรามาปฏิบัติธรรมไม่น่ากลัวเลยเพราะก็รู้อยู่กับใจเราเองอะ่ะใช่ไหมแล้วเรามาเส้นทางนี้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้โ อ, นนอ้มันน่าอายมันน่าขายหน้าแล้วเพื่อนฝูงหรือว่าพ่อท่านหรือว่าหมู่กลุ่มก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เอออย่างน้อยน้อยเดี๋ยวก็เอาไม่ว่าจะฟังเทศฟังธรรมอะไรเดี๋ยวก็ต้องโดนสาปต้องโดนโขกอยู่ดีเออเพราะนั้นเลยไม่ค่อยกลัวนะ อาจจะตรงกันข้ามกับคนอื่นเขาหน่อยแต่รู้สึกอย่างนี้จริงๆริงตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมารู้สึกอย่างนี้แต่อย่างว่าอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วก็ได้ไปรักเขาก็รักมาแล้วอกหกักอกพังก็พังมาแล้ว <c oughs> นะั่นมันอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วมันก็เลยรู้สึกเ อ, อไม่ค่อยกลัวตรงนี้สักเท่าไหรนะ่แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อ่อนข้อในการปฏิบัติธรรมเราก็ ฝึกฝนอยู่ตลอดหลายอย่างที่จะมาตั้งแต่มาอยู่วัดเนี่ยตั้งแต่มาเป็นปะเป็นนาจนเป็นสั ม, มนเณรจนเป็นส ม, มณะก็ตามตบะทำหลายอย่างที่ยังก็ทํามาเนี่ยนี่บวชมาร่วมถึง20่บรรษาก็ยังทํามาตลอด อ, อะไรอะไรที่บางทีหลายอย่างที่เอออันนี้ดีแล้วเหมาะกับเราด้วยเราสมควรจะทําอย่างยิ่งก็ทํา นั่นก็ไม่คิดจะเลิกเลยทำมาตลอดนะยิ่งเนี่ยบางทียิ่งช่วงเข้าพรรษานะพวกเราก็ตั้งตะบาทรรมกันเยอะนะหลายคนนะบางทีก็ตั้งกับสมนาตั้งกับศิกขมาตบ้างตัตมาก็อยากจะบอกว่าทำจริงๆนะอย่าอย่าไปแบบว่าอะไรอะ่ะมันเป็นประเภทประเพณี มันเป็นขนบธรรมเนียมอา้าวเขาตั้งกันเราก็ตั้งคือถ้าอย่างนี้ไม่มีผลหรอกขณะมายังเคยพูดให้บางคนฟังว่าต่อให้คุณตั้งตบ่าแล้วคุณทําได้ด้วยฟังดูดีๆนะต่อให้คุณตั้งตบ่าแล้วคุณทําได้ตามตบ่านั้นด้วยแต่ถ้าคุณทําตบ่านั้นไม่ถึงจิตของคุณเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันก็ได้แต่เปลือกเท่านั้นเองเพราะมันไม่ได้ถึงจิตถึงวิญญาณอะไร มันก็ได้เพราะองค์รวมแบบแบบอะไรตามตามกันไปแบบหมู่กลุ่มมันไม่ใช่มรรคผลแท้ๆ ท, ที่คนนั้นทําได้เหมือนกับบางคนกินมังสวิรัตได้อยู่กับหมูก็กินได้แต่พอไปอยู่หมู่อื่นอยู่กับคนอื่นเขาบางทีก็ล้มแล้วกินไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ถึงจิตกินมังสุิรัถึงแค่ปากถึงแค่พุงถึงถึงแค่กระเพาะ มันยังไม่ถึงจิตวิญญาณเพราะถ้าถึงจิตวิญญาณในศาสนาพุทธถ้าทำได้แล้วเนี่ยถ้ามีมรรคผลจริงได้แล้วได้เลยคุณไม่มีได้แล้วกลับมาไม่ได้อีกไม่มีศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นเพราะถ้ามันถึงจิตได้จริงแล้วเนี่ยนะเป็นมรรคผลแล้วเนี่ยมันจะเป็นปาลมัตดเลยมันจะเป็นบรารมีหมายถึงสิ่งที่เราทาได้แล้วจริงๆไม่มีหวนกลับ ไม่มีถอยคืนไม่มีเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยผู้เจ้าถึงบอกว่าถ้าได้แล้วเนี่ยก็มีแต่เที่ยงต่อการตัดสรู้เลยไม่มีว่าเป็นสโสดาบันเสร็จแล้วกลับไปเป็นกาลยานชนกลับไปเป็นปุตุชนไม่มีอะ <c oughs> ถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็จะมีแต่อ้าวภาคเพียนขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเป็นสกิทาภาคเพียนอี ก, ก็จะขึ้นไปเป็นอนาคา จนถึงอรหันนั่นแหละว่าไม่มีย้อนกลับเลยนะถ้าใครปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ตรงจริงแล้วนะพุ่ยง่ายวันเวททางเดียวสายด่วนด้วยทางเดียวทางตรงเนี่ยคุณขึ้นถนนในพวกนี้ก็มีให้เลี้ยวกับเออไม่มี <c oughs> ให้คุณไปแต่ข้างหน้าลูกเดียวเลยนั่นแหละปฏิบัติทำจริงจริง นะถ้าถูกต้องจริงๆแล้วมันไปอย่างนั้นแต่ก็มีหลายคนที่พอพูดอย่างนี้แล้วก็ยังเข้าใจผิดได้อีกอา้าวก็ทำไมตอนนี้ทำได้แล้วพออาทิตย์หน้าเกิดทำไม่ได้เกิดล้มแล้วอย่างนี้แล้วหมายความว่าไงอ่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าว่าไม่ได้สินะซึ่งคนนี้ยังไม่เข้าใจคาว่าเที่ยงหรือยังไม่เข้าใจ การปฏิบัติธรรมซึ่งอาตมาเนี่ยจาได้จากพ่อท่านเคยยกตัวอย่างให้แล้วมาเออเข้าใจเลยอย่างนี้แหละว่าเที่ยนคืออย่างนี้คือทําดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เราก็ดูมือแล้วกันมาจําได้เยะพ่อท่านเคยแสดงทำอยู่ครั้งหนึ่งแล้วท่านบอกว่าเวลาเราทําดีได้เนี่ยนะถ้าได้จริงแล้วเอาสมมุติว่าสมมุติว่ า, มม ต, วาตอนแรกเราอยู่ฐานนี้นะมือมันอยู่ขั้นนี้ พอเราปฏิบัติได้มันก็จะต้องสูงขึ้นใช่ไหมอ่ามันจะสูงขึ้นมันก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นสมมติเอาเป็นโสดาบันเนี่ยพอปฏิบัติดได้มันก็ต้องสูงขึ้นแต่พอสูงขึ้นแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่ามันมีแต่สูงลักษณะอะไรเหมือนเหมือนไอพ่นเน่ยเหมือนไอพ่นอ่ะพอเวลาเขายิงไอจรวดขึ้นอนะ่ะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมจนความจะหมดแรงแล้วมันถึงจะตกกลับลงมาใช่ไหม มันไม่ได้ขึ้นมาอย่างนั้นหรอกปฏิบัติธรรมอ่ะไม่ใช่เที่ยงก็คือพุ่งขึ้นไปเหมือนจะหลวดเงี้ยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยไม่ใช่เพราะท่านบอกปฏิบัติธรรมเนี่ยเที่ยงของเรามันเที่ยงแบบนี้คือมันขึ้นมันจะลงจะขึ้นมันจะลงมันจะมีขึ้นมีลงแบบนี้แต่ในขณะที่มันขึ้นมันลงเนี่ยนะความเที่ยงของมันก็คือมันขึ้นมาลงเนี่ยมันขยับขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆถึงมันจะลงเนี่ยนะมันก็ จริงๆเนะี่ยมันไม่ได้ไปลงต่ํากว่าเดิมเตี้ยกว่าเดิมอะไรเลยเพราะว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันยังไม่เที่ยงได้ร้อยเอร์ซนตนี่ยมันก็จะมีลงมาด้วยใช่ไหมบางครั้งก็จะมีพลาดพังมีเผลอเลยมีประมาทหรือมีแพ้บ้างอะไรมันก็จะมีมันก็จะลงมาบ้างแต่ลงมาเนี่ยสติความรู้ตัวทั่วพร้อมมีคุณก็จะอายแล้วคุณก็เฮ้ แย่นะขืนให้ต่ำกว่านี้แย่กว่านี้แล้วไม่ไหวนะเลวนะน่าระอายนะมันก็จะมีฮิลีออตปะเนี่ยแหละเล่นงานคุณเพราะมันเที่ยงตรงที่เรียกว่ามันจะให้เลวไปกว่านี้ไม่ได้มันก็จะต้องทําใหม่อีกลุกขึ้นมาทําใหม่เพื่อที่จะให้เอ้ยทําให้ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยมันจะอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆมันขยับขึ้นขยับลงแต่ว่าแนวอะ มันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยวันทัศบางคนเนี่ยไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยบางทีโอ้โหเวลาทําอะไรได้นี่จะไม่ให้พลาดพังบ้างเลยเนี่ยเป็นไม่ไม่ได้หรอกเพราะมันก็มีพลาดแต่ตอนนี้ให้ไปสังเกตสักยะของเราว่าอันไหนเป็นสักยะใหญ่อันไหนเป็นขนาดกลางอันไหนเป็นขนาดเล็กซึ่งจะต้องไปตรวจสอบเอ า, นานในแต่ละคนที่ตั้งตาบะหรือว่า ตั้งศีลของตัวเองตะบะบางคนเนี่ยก็นี่แหละเอาศีลที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยจะศีลห้าก็ตามศีล8ก็ตามศีลสิบก็ตามนะหรือศีลของพระก็ตามก็เอามาใช้เป็นตะบะเลยบอกว่าเอาในาพรรษาเนี่ยจะพูดง่ายจะถือศีลให้ได้ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์อันนี้ก็เอามาใช้เป็นตะบะได้นะซึ่งถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยธรรมาว่า การปฏิบัติธรรมของคนคนนั้นจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาตรวจสอบเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ว่าเออเราจะพัฒนาขึ้นจริงๆแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองว่าโอ้โหแต่ก่อนนี้หุดหงิดถือสาง่ายเออเดี๋ยนี้ลดลงแล้วแต่ยังมีไหมยังมีแต่ลดลงแต่ก่อนเนี้ยโกรธข้ามคืนข้ามวันโอโ้เดี๋ยนี้โกรธแค่ ไม่กี่ชั่วโมงก็หายแล้วหรือกดแค่ไม่กี่นาทีก็ทำใจได้แล้วอย่างเงี้ยมันสามารถเห็นผลแล้วก็ตรวจสอบด้วยตัวเองได้เลยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะฝากจะฝากไปเพราะว่าเขาบรรษาหลายคนก็ตั้งมันเป็นประเพณีเป็นจารีตที่ดีอยู่แล้วแต่เราจะต้องภาคเพียนที่ทำให้ถึงจิต อาตมาก็อาจจะมีการตรวจตบากันบ้างนะในช่วงในช่วงเข้าพรรษานี้นะก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ใครที่ตั้งตบะาไว้เผื่อบางทีอยากจะตรวจตบะาบ้างก็นะถ้าสนใจนะก็มาร่วมกันตรวจได้นะอาจจะเป็นวันคืนวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์นะวันนี้อะ่ะวันนี้ก็คงขอยุติเพียงเท่านี้นะ